เปเินพระเมราไปทั่วโลกกาประกาศธรรมสอนโลกมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์พระศัสดาของเรานี้ได้สงเคราะห์โลกมาทั้งด้านวัตถุและนามมาทำเป็นเวลาสีาพระพรรษาจึงได้ปด็จฐ์กรณิผ่านต่อจากนั้นก็มีพุทธบริษัททำหน้าที่แทนพระองค์ย้วยมาดังที่เราทั้งหลายได้ทำหร้บัดนี้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 เพราะมีธรรมธรรมเป็นของไม่จืดจางการป ร, ประดับธรรมในทางกายมาจาใจจึงเป็นความสวยงามดีโดยไม่มีความจืดจางไม่เหมือนรูปร่างกลางตัวที่เราประดับตกแต่งด้วยเครื่องอภรรท์ทั้งหลายถ้าว่าความประพฤติไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็นของที่จืดจางได้ไ ง, ง่ายง่ายฉะนั้นเราจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องประดับตัวของเรา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 พระพุทธศาสนาท่านจึงสอนลงที่กายวาจาใจของมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วท่านสอนลงสิดนี้จึงไม่ผิดจากหลักความจริงเมื่อโลกหยุดจากการทาการกระทาเสียเมื่อใดกรรมก็หมดไปเมื่อนั้นและผลของกรรมก็หาความสุขต่อไม่ได้แต่เราทั้งหลายจะปฏิเสธการกระทาไม่ได้แม้แต่ขนาที่เกิดขึ้นมา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 ทำรรมบาหรบุญมีหรือไม่มีแล้วก็ทราบในความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราึ่งเนื่องมาจากกรรมคือการกระทำในหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าอย่างนี้นี่เป็นหลักถูกคล้องตายตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมในทางคุณงามความดีให้เป็นกรรมดีเพื่อจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในการต่อไป เราเกิดมาด้วยกันนี้ไม่มีใครสามารถอาจรู้ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดในสถานที่นั้นเป็นคนเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นหญิงเช่นนั้นเป็นชายเช่นนั้นไปเกิดในตระกูลเช่นนั้นต้องการมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเช่นนั้นมีสมบัติเงินทองก็ของประมาณเท่านั้นเท่านั้นเป็นความต้องการอย่างนี้แล้วจะให้เกิดตามความต้องการนี้เป็นไปไม่ได้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 เวลาคนตายท่านสวดอากุศลธรรมะอากุศลธรรม า, า, มาปยากตาธรรมะกุศลคือความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์จะสังสมขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ย <H it> และกุศลนี้แหลจะเป็นเครื่องสนับสนุนมนุษย์หรือสัตว์นั้นๆให้ถึงความค้นทุกข์ไปโดยลำดับได้อากุศลธรรมาคือความโง่เขลาวบวปัญญาฝ่าฝื น, นหลักความจริงทั้งหลายทำไปตามอําเภอใจคือความชอบใจของตนนั่นแหลคือความโง่เขลาบวปัญญาและจะกลดทวงของตน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 ภูราปเรปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตสินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏติตังตุมหังคิปเมวสมิชฉาตุสะเพปูเรนตูสังกปาจานโพปนะระโสยทามิโชติระโสยทัสพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีพายยโกภวะอภิวาทนาสีติตตรมจังวุธาปจายโนจตารโอธ ร, รมาวาทานติอายุวันโนสุขังภารางสัพพุทธานุพาเวนะสัพพธรรมานุพาเวนะสัพพตั้งคานุพาเวนะ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 ได้แล้วเลื่อนได้มุ oh. ่งตอบคนนั้นคนนั้นได้ีดเทปยังเปิดอยู่เลยยังอัดอยู่เลยเนี่ยอัดอัดไปเลือกก็ได้ปัญหาขึ้นเรื่อยตอบไปเรื่อยกันเฮ้ยต้องปิดเมื่อตอบจบแน่ๆแน่ใจครับกรรมที่เราทำเมื่อตอนที่เรายังไม่เืียผลในกรรมเนี่ย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 เป็นการถูกต้องแล้วเ น, นถูกต้องในตั๊กมีแค่อยู่เยอะแค่ไน <c oughs> นั่นแข็งตั๊เย็นนะใครเขมีแต่เทมเป็นหมุนเครื่องหนึ่งไปแล้วหรือเนี่ยหางเงียไปแล้วหรือเนี่ยนี่อป่ดยมาวางไว้จนี้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 คือในนี้ครับคนเข้าเในสมัยในในในสังคมของไอนี้นะฮะเขาบอกว่าไอ้คนที่มาทำความเร็วนี่นะรวยครับในเขาเป็คขอความดีในโลกนี้เลยนะฮะทีนี้ว่าคนที่ทำความดีชื่อสัจจิชนมาไส่โกงไม่โกงกินก็ไม่กินกันจนอย่งนั้นก็เป็นโงมีสัจตินิดอย่างไรลักษณะอย่างนั้นนะเพราะงั้นเราเป็นเข้าใจ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 มันก็ไม่ดีแล้วใช่นะเขาบอกว่าเขาก็ก้าหน้าไปกล้าหน้าโดยความสอพอนั่นแล้วเนี่ยมันจะกล้าไปไหนมันกล้าวดยความซอเพอมันจะกล้าไปไหนมันขึ้นฟางเมฆมันก็ไปดยความสอพรน่มันจะเลยประิดาจันท์มันก็ดยความซอพอร์เขาาก็ทอดอยนะครับมันทอดอยครับคือบางคนเราเขายังไม่ถึงไอ้ค้าหลอกินา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 อ้าเข้าใจแต่ล้ว่าแตมันพุ่งพุ่งกับเวลามันตกไม่พูดอันนี้ก็เวลาเขาพุ่งพุ่งเขาพุ่งไปนะถ้าไม่ต่อก็ไม่มีน้ำมันมันหมดน้ามันก็ตกได้เหมือนกันแหละเพราะนั้นเราจึงเพิ่มน้ำมันเรื่อยๆนะถ้ามันอยากให้เรืบินเราตกให้เพิ่มน้ามันเรื่อยๆนะมันจะคอยผลักพางราไปเรื่อยๆหรือวแปลกใจว่าทำไม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 ความดีอยากให้เกิดให ะ, ะสร้างความดีให้มีความดีให้หนุนไปเรื่อยๆอย่างพระุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นวิสุทธิชนออกจากความดีทั้งนั้นหนูนกันไปจนกระทั่งพ้นไปได้ความชั่วไม่มีทางพ้นมีแตทางจมเรื่อยๆเอากรงนีท้ทำไมเอ่อิดภาพสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นไอเหมือนไอพ่นใช่ไมมเด็กก็มันวิ่งไเรื่อยแต่กราทัาถึงถึงขั้น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 ไม่ผสตแต่ก็ไรเลยในบ้านเรนาเจะเรียนไหมเราได้ทํากันบ้างแล้วยังก็คิดว่าถ้าทํามันกคงจะไม่เกอนถ้ติดตามภาษาผมนะครับถ้าองั้นก็ไม่ควรจะตอบตามภาษานะใช่ไหมไอ้ <laughs> ขัาธรรมชาตเฉยก็ใช้ตอบธรรมามตอบไม่ได้ถึงของงดอันนี้ไม่ตอบ <laughs> มีเป็นกาตอบแล้วเนี่ยนุ่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 นอนก็ล่มกรอกเลยถึงหมอนมาถึงช่งางก็คุ่คุช้างัอยคว้าหากันถ้จาจะบคว้านะคราวนี้เอาจริงๆหลับครอบเลยมีอะไรอีกอ่ะมีปัญหาอีกไหมอนนานนะจารย์นิสสาวว่าไงคุณอาจรย์ความจำพุทธบวรนี่ก็ทำความราความดีไปเยอะครนะแต่ทำไมท่านถึงมีเรื่อง ไม่ินหนักก็เราอย่างคนธรรมดาเนี่ยถึงหลวงพุธก็มีะเทวทัตมาปีนถึงลงมาจะเขาเจอองค์พระส่วนท่านแบบเนี้ยอ๋อดทีละเดินชมในป่าดูบากาศเราเรายังมันยัเห็นเราวาวานอยู่เลยไม่เลยหาักดระทำภาษาดคนทั่วกระทำภาษาคนทั่วใช่ไหมเล็กร้อยผิดกันแยะเนี่ยเยียมกับพระพุทธเจ้าเลย่รพุทธเจ้าท่านทำความดี มากเราไม่จะมีมีตอนธะแล้วท่านยังมีสิ่งไร้ประเภทนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเรางี้ถ้าเผื่อว่าเกียบเทียบเรามีเราทำเต้มที่เดียวผมแค่เนี่ยเราไม่อยากมันพรเจ้านะแต่เราเรานั่งภาวนายูงมันกัดเราได้ยูงตัวเล็กๆเน่มันมากัดเราได้ไม่ต้องพูดถึงตัใหญ่เพราะเราเป็นคนเล็กน้อยไม่เหมือนพระเจ้ายูงมันไม่ว่าเอ๊ะดีพันหลังภาวนานามไม่เห็นว่ามันมันกัดได้มีเรื่องของยเป็นอย่างนั้นเข้าใจหล่ะ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 ถามว่าเราเนี่ยเราเดินกลมตั่งเพราที่แท้ทำามอยู่มากันเราเราอยู่สบายที่จะดีกว่ามันก็ไม่ดี <c oughs> พระพุทธเจ้าเขาจะ <c oughs> เขามา ท, าทําั่งพระพุเจ้าอยุดเสียใพระพุทธเจ้าเขาเป็นพระไม่ได้ฟังเรื่องคนชั่วเราประมาทไม่ได้ที่จะกล่ า, มมาเราเป็นคนดีเรามีขอบเสด็จเรายู่มาแล้วก็ทำงห้เราไปใช <c oughs> ่ถ้าจะมาเข้าใจถ้งอีก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 เนี่ยเปิดเบื้องต้นหมือล้วเนี้ของใครล่ะทีนี้พอเอาเครื่องระดับแตกต่างๆไปขายแล้วก็มียายคนหนึ่งเขบหลานไม่มีเงินเป็นคนจนแล้วมีถาบทองคำผ่านหนึ่งเ่าเป็น็นสนิมจับเกลางหมดแต่ไม่ใช่สนิมขวงองคำนะสนิมที่ว่าตกก็ปกได้พูดง่าย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 ในริเวณของของพระเจ้าแท้กบพระพุเจ้าเริ่มต้นมาตั้งนั้นคือโลคมากโรคโลคโรนักนกันกลาบหายน่ะลาบหายแล้วกาะเวรที่มาน่ะที่จะขายที่อยู่นี้ก่อนที่จะกลับมาเอามั้งนะก็อยู่ในเนื้อมือเราเนะี่ยไม่คิดว่าคนอื่นเพราะก็มือมืออันนั้นนึกว่ามีเนื้อมือแต่ตัวเองเ <c oughs> ขาเอาไปกิงเ น, นี่ย่ซะเรื่องเป็นต้ น, นไนมันเป็นไปได้เรื่องกรรมที่จะติดตาม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 อมี่เราแสดงว่าเราไม่ถอยใช่ไหมอันนัาจเหมือนกั น, น, นเราก็ไม่ถอยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> จะไถอยไปยังไงหมดปัญหาแล้วยังข้ อ, อนี้เอ <c oughs> ไม่ถอยนี่ไปจนถึงจุดจีมหมายอยางแตกแตกระเบิด ร, เ บ, ดรเบิดไปชีวิตเราจึงมีอยู่หามสาส่หม่ปลายเรื่องจนถึงจุดหมายปลายทาง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 มันจะมีปัญหาเหื่อยีปัญหาเดียวการ ก, ก่ข้างปัญหานี่ต้องการมนาลึกขึ้นหลาก็ข้างปัญหาอันเดียวนี่เหมือนกันเป็นไงออกจากนี้แต่ก็นอนระวางมันเหนื่อยจะตายไปแล้วนี่นั่นแหละปัญหาเดียวเหนือ <laughs> อ่อยอยู่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาเนือยนี่ผมเท่อยปัญหานอนออ น, นั่นแหละก็ต้อกานอย่นั้